การทมต่อพวกเราเป็นชาวบริษัทเรียกว่าพุทธบริษัทมี พ, พระภิกษุสง์มีแม่ชีมีภิกษุณีมีอุบาสกคุยมผู้ชายมีวาชิกาคุยมผู้หญิงเราเป็นหุ้นส่วน นี่ว่าพุทธศาสนาทำอย่างไรพุทธศาสนาจึงจะเจริญรุ่งเรืองพวกเรามปส่วนสำคัญที่จะช่วยกันลรวพุทธเจ้าประอุบัติขึ้นมา พร้อมกับพัฒธรรมคำสอนมีพระพุธพทธธรรมเริ่มแรกต่อมาเมื่อสอนคนอื่นเอาทรมาสอนคนอื่นคนอื่นรู้ตอมเรียกว่า สมมาสมพุทธโธมีเชืเลยว่าธรรมนี้ไม่เป็นหมันอาจจะทำให้เจริญล่วงเรือง เ, เป็นประโยชน์เพื่อกูลุ่นเเกิดวริษัดขึ้นมาสามเรียกว่ารัตนะรพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มี ย่าโจ ม, มาพากันปฏิบัติเช่นมันดาบิดาของยศกุลบุทมาหาลูกชายเห็นยศนั่งฟังธรรมอยู่ก็เลยมาฟังด้วยเกิดจัดทธาเรื่องใสนี่ว่า อุบาสกอุบาสิกาในเป็นบริจัททั้ง4 ส, ส, สิ่งที่เราต้องทำในศาสนานี้ก็มีรำบานชัก4ี่อย่างศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรม สิ่งอย่างนี้ต้องอาศัยกันจึงจะเจริญได้อยู่ได้าศาสนวัตถุเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเสน่อาสน า, นาปฐุมเจดียพระพุทธรูปอะไรที่เป็นเครื่องหมายเรียกปฏิมาเพราะปฏิมาที่ว่ า, าศาสนวัตถุ ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลบ้างให้ให้เหมาะแก่กาลเทศะให้รู้จักพอที่จะกราบไหว้ได้สะดวกงดงามสอาดเรียบร้อยเหมาะสมให้คนเน่นเข้าถึงได้พบเห็นง่ายๆเกิดศรัทธาเพราะศาสนวัตถุที่หัวใสไม่สะอาเรียบร้อยเป็นระเบียบ เครื่องนุ่งเครื่องห่มของพวกเราก็ให้เป็นระเบียบอย่าให้มองแแมมเกินไปอันนี้เป็นฉนาชนบทุปองเห็นได้เรียกศรัทธาได้เป็นแบบอย่างคนผู้เผยเกิดศรัทธาต่อผู้ผู้เห็นได้นอกจากสาชนบทุก็มีฉาชนักพิธีม า, าทําอะไรให้เป็นให้เหมาะสมกับปา่าละเทศชาเช่นเดียวกัน พิธีสาชพิธีมากมายมีสมมติปัญญตภาษาใช่ให้ศี้นไหวพระสวดมน ต, ต์เจ็ดวัดพิธีวัดเป็นสาวชตพิธีเพื่อจะทำร่วมกันในหมู่บริษัทเอาคำสอนเอาเอาสตรต่างๆภาษ า, ายายให้ได้ยินได้ฟัง จะให้หมดไม่เสียมเสียไปไม่เคยผู้กล่าวผู้สาอทยายก็หมดได้เป็นชาใช้วิธีสวดพระสูตรป่ายพรลักษชินสมาทานชินอยู่ปฏิวาติองอามบัดปาธิโมกอพัอพนกรรธกรรมัวผสมบทกรรมเป็นชาตชนพิธี ก็ให้จัดเกณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ใหน่มีผู้หลอกผู้ใหญ่มีผู้น้อยอาลบกันตามฐานะให้มองเห็นในความงดงามภาพที่สูงสงบนั่งอยู่ที่นี่แม่ชีนั่งอยู่ที่โน้อนอุบาสกนั่งอยู่ที่นีอน่อุบาสิกานั่งอยู่ที่โน้นตามเอาโศโตามฐานะสมมุติบัญญัติ เราลบ ก, กันไม่โปรเปลกันไม่มีพิธีให้มีแบบอย่างดูงดนามนอกจากใช้พิธีก็มีเฉาชนะบุคคลเอืเราเป็นเาชนะบุคคลที่โฉล เมื่อ ช, ชีพจุนีว่าโฉกว่าจกาเป็นสาสนบุคคลให้มีเครื่องหมายเป็นผู้ธบบริษัทแสดงออกถึงความเป็นผู้บริษัทิยามรรยาทให้มองเห็นที่มองเห็นได้บ่งบอกถึงว่าเป็นชาวพุทธด้จักกราบไหวอ่อนน้อมท่อมตนด้จบับเคารพด้จับช่วยเหลือมีน้ำใจ ไม่โทไม่โหดร้ายพุทธบริษัทไม่โหดร้ายเป็นที่ใช้ทุกทุกอย่างได้เห็นก็สบายใจแต่เครื่องหลายของคนดีการกราบไหว้การ อ, อ่อนน้อมถอมตนการนุ่งห่มผ้ารู้จัก การนาทิศเส้นผ้าสงลมผ้ายาวผ้าคล้องคอเส้นผ้าพวกเราเนี่ยมีแต่ผ้าเอาผ้าคล้องคอจีวรคล้องคอไว้จัจบผมถ้าจะถือชีวรให้เป็นระเบียบอย่าคล้องคอเหมือนกับเด็กน้อย ยอมผู้หญิงก็เหมือนกันอวโชก็เหมือนกันแต่เป็นเสื้อผ้าก็สุภาพไม่ใช่ใส่ชั้นนุ่งผมก็เจริญมุญทนครึ่งแข้งครึ่งเข่าถ้ละโด ก, กันละโดกจริงๆอย่าลดเอว อันนี้คือสาสนบุคลคลเกิดศรัทธาได้ิยามลุญาตส่วนสารสนธรรมันดับที่4นี่ก็คือสาคนไม่ใช่วัตถุมันสร้างอะรนสารสนวัตถุสาสนบุคคลสารทีกคุ้นน้ขึ้นมาถ้ามีสาชสนธรรมแล้วมกกักจะ แลระเบียบไปหมดตั้งต้นได้จากศาสนธรรมเมื่อมานานมานี้ขเขามาสัมภาษณ์ว่าทำไมาจึงเกิดสถามที่อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเลยบอกว่าไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่ ความคิดที่จะทำแบบนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากธรรมะไม่ใช่เกิดจากความคิดอุดมคติมีความตั้งใจมาแบบนี้โดยตรงเกิดจากธรรมะปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแบบนี้ อะไพูดบอกเขาหมดเลยไม่เคยรู้จักอะไรทั้งหมดเลยพอมาปฏิบัติธรรมเขามีสัมผัสกับธรร ม, มะมีน้ำใจเกิดขึ้นมาแต่ก่อนน่าจะรักแต่พี่จะน้องวันนี้แล้วคนทั้งโลกรักทุกสิ่งทุกอย่างรักแผ่นดินเม็ดหินฝ่าไ ม, ม้เมน้ำมามากาศ ก็ชิดเหรอก็เลยเมื่อมีความรักมีความรักจะชอบจะทำยังไงคนจะได้มีโอกาสทำปฏิบัติทําอย่างนี้เราก็อยู่ป่าพุทธยานก็เป็นป่าถ้ามีเท่านั้นอ็ไม่พอจะมีเท่านั้นหรือมีพุทธยานเท่านั้นหรือให้มากกว่านี้อีกเหมือนกับว่ามีจิตใจ จอ้องเกล้าที่สุดว่าจะมีอะไรมากกว่านั่นเด็ดแสวงหามันก็เกิดแบบนี้ขึ้นมามีเพื่อนมีมิตอยู่ที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราคนเดียวลูกศิธิ์ลงพ่อเทียนมักจะอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้ก็เดียว่า ถ้ามีศาสนธรรมแล้วก็เกิดคุณภาพเกิดความดีเกิดขึ้นแก่บุคคลแก่คนอื่นจึงเแ็นวัตถุอื่นได้อันนี้เป็นต้นเหตุธรรมะเกิดจากพุทธองค์ชีวิตเดียวก็เกิดอะไรขึ้นมามากมายก็นั่นศาสนธรรมในสำคัญที่สุด ให้เราเข้าถึงสารธรรมนี้มันจะดีไปเองมีเสียงเลยเด็กะอหมดเสียงที่ภูเขาทองไปกาะปู้ที่นั่นไอเกาะปู้ภูเขอทองไปกวดที่ฝนอยู่สองสามวันมานสารรรวัตถุไม่น่าดู ไม่น่ากาัหน้าไวา้ไม่น่านั่งไม่น่าใช่เลยอะไรก็ไม่ค่ยดีเลยลงแรงครับที่ฝุ่นเฟนก็สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วไปบุกฝุ่นก็เกิดเชียงหหยไป <c oughs> <c oughs> น, นั่งกับจนส่วนหนึง่งเ ส่วนศาสนาธรรมที่เราจะต้องบุกเบิกคืออะไรสิ่งที่ขวางขั้นคือขวามหลงขวามหลงเนเป็นขวางทางขวางไว้ขวามหลงเป็นตัวขวางความทุกข์ความโกรธความโลภความไม่ตกองนพอใจไม่พอใจเกรนตัวขวางเข้าไมถึงธรรมเป็นทางขวาง หวงทางกั้นไว้ให้เราผ่านพอดีกับเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสติเนี่ยมันตรงกันพอดีมันขวางไม่ได้ถ้าผ่านตัวหลวงนี่ได้ก็ด่านอื่นก็ไม่ค่อยยากนะความโลภควงโกรธความพอใจไม่พอใจอยาจะเปิดทางให้ง่ายง่ายว่าจะเปลี่ยนเปิด านตัวภาวะที่หลงเนี่ยมันขวงไว้เปิดทางให้เป็นในศาสนานี้มันมีมรรคผลในผ่านไม่ใช่เป็นพิธีศาสนาวัตถุศาสนบุคคลศาสนพิธีเป็นศาสนธรรมมาก่อน มีเมื่อผลนิพพานมาก่อนในชีวิตของเรานี่เหตุที่มันมีนิพพานเพราะมันมีหลงเหตุที่มีนิพานเพราะมันมีทุกข์เหตุที่มีมีนิพพานเพราะมันมีอะไรมากฝ่ายขวงเราไว้เราจึงมาปฏิบัตินี่มันเหมาะสมที่สุดตรงที่สุดเลยน้องก็ตั้งชื่อว่า ความหลงนี่เป็นเดรัจฉานนะม่ใชเรื่องน้อยนะมันขวางไม่เดรัจฉานคือไปทางขวงขวงไปภูมิของความหลงนี่ไปสู่เดรัจฉานพัฒนาไม่ขึ้นหลงจนตายเหมือนสัตว์เหมือนวัวมันก่วยพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไม่ขึ้นเลยเกิดมาตัวไหนเป็นควย เป็นวัวเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาพัฒนาไม่ได้พวกสัตว์เป็นรัชานอันภูมิของสัตว์ที่เป็นเดรัจฉานที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยแล้วกระตือรือร้นก็มีสติเนี่ยเห็นความคิดที่มันหลงเนี่ยโ อ, โอ้มันมันรู้จัว่ามัน ได้แค่จุดโดนชีวิตทั้งหมดคือว่าได้หลงเกิดจากความคิดมากที่สุดไม่มีวิธีใดที่จะมาเห็นหลงเกิดจากความคิดนอกจากสติวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกไ้ว่ากรรมฐานเป็นที่ทั้งแห่งการกระทำจำแนกท่ให้จำแนกไปค้นพาวาเก่าเป็นทางไปไห น, ใน เเปลี่ยนความหลงที่เกิดจากความคิดมีสติดูคิดมีคิดดูคิดเนี่ยเจ้าบำเพ็ดดังกิดคือทำอย่างนี้นะอาจจะไม่มากเหมือนภาษาวกุลหลังภาษาวกุนหลังนี่มากเกินไปอะไรก็รู้มากเกินไปถูกรู้ถูกเลยมาก่อน แต่ว่าพูะที่เจ้าเนี่ยอะไรก็พาเจอเขาตรงนี้เลยอะไรก็มันก็หมดแล้วผ่านมาหมดแล้วไม่มีความสงสัยถึงกับจะเป็นพระเจ้าจากกาักรพรรดิแล้วไม่เห็นอะไรที่เป็นแกลนสาระก็เลยมาสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องคํามเพียรตางจิตเนี่ยมันมีจิตมันมีกายมีใ จ, เ ก, จากากเกิดจากกายก็มีเกิดจากจิตใจก็มี นี่สตินี่แล้วเป็นภาวะที่เขาไปเห็นไปดูมันเนี่ยพอตัวเนาะความรู้สึกตัวนี่จะการพอตัวเพียงพอแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องหาสิ่งใดอีกรูปแบบแบบไหนอีกปฏิบัติแบบไหนอีกไม่มีแล้วนี่แต่ไม่สติเห็นอยู่ในศึกษาที่กายที่ใจเนี่ย ว่าจะมีสติอะไรก็ง่ายขึ้นมาเรื่องของกายมันก็มีมากเรื่องของจิตใจก็มีมากพอาแต่เรามีสติดูมันมันหนีไม่พ้นมันใช่ได้ทั้งหมดเป็นตัวเฉลยตัวใหญ่ความรู้สึกตัวเนี่ยพอดีในวิชากรรมฐานเบื้องต้นหายานุปจนามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำ เมื่อเห็นการเห็นจิตที่มันคิดเมื่อเห็นจิตที่มันคิดก็ได้สอนคิดตัวเองมีสติความคิดแต่ก่อนไม่มีอะไรรู้จักบันความคิดเน่ยตามตามความคิดทั้งหมดเลยพอมา่วงเพิ่นจากภวะช น, นิดแล้วได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เปลี่ยน จุดเป็นทุกข์ที่มันเกิดจากกายจากใจเป็นภาวะที่รู้นี่มันมันเกิดเอียงไปง่ายไปยิ่งเป็นส่วนประกอบความไม่เที่ยงที่มันเห็นความเป็นทุกข์ที่มันเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่มันเห็นเป็นส่วนประกอบทําให้คล่องตัวมากขึ้นถ้าไม่ขวางนะถ้าไม่มีความหลงขวงแนละ้วความไม่เที่ยงก็ เป็นทุกข์ของทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้ามีความหลงผวองไว้ถ้ามีความรู้ฉึกตัวนี่เป็นตัวกำจริงๆแล้วผ่องมาอยู่เอาไปเอามาความไม่เที่ยงทำให้เกิดความสะดวกเหมือนหเหงกระเสแห่งความสำเร็จความไม่ทุกข์ก็สะดวกจะแสวงหาความไม่ทุกข์ ดูทุกเวลาเราปฏิบัติทำเมื่อต้นรู้จักรูปจังลามแล้วนี่ยหลวงพ่อเทียนหมูให้ดูทุกแต่ทุกอยู่ที่ไหนค้นบมดโดยเพราะสติโดยตรงเนี่ยผู้ปรับกับพตัวทุกมีเท่าไรออกมาแสดงให้เห็นหมดเลยทุกุขความไม่เที่ยงรู้แล้วทุกุขความเป็นทุกทุกุขความไม่ใช่ตัวตน เมันขุดคุยเวลาด้นเลยหลักกับมัมนขุดคุยเหมือนกับยึดอะไรได้เหมือนนัลกลบที่ยึดฐานทัพของศัตรตูเหมือนเขายึดยานรกอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขายึดยานรกได้ที่จังหวัดเชียงรายเป็นหลายแสนหลายล้านเม็ด แล้วก็หมดจิตหมดสภาพเจ้าของหมดสภาพเพราะมันไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเราเนี่ยหมดสภาพนะถ้าเป็นมรรคเป็นผลนะลาบภาพนะชีวิตของเรามีมรรคไม่ผลนะรูปนามคือกายใจนี่ออกาสร้างมรรคสร้างผลนะมาใช่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์นะแต่เราไม่มีสติมันจะเกิดความหลงเกิดความสุขความทุกข์มากมาย ขอบคุณมันที่มีลูกมีนามที่มันมีทุกรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกปิญญาณเป็นทุกโอยขอบคุณตัวนี้หมดท่าเลยขันห้าเนี่ยแต่ก่อนจะแมกให้เราเป็นฉุกเป็นทุกวงการใหญ่เป็นอำนาจใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่สัญญาเขาไว เป็นใหญ่สังขารเราเป็นใหญ่วิญญาณเอาเป็นใหญ่สุขทุกข์เอาเป็นใหญ่บารมีสติเนี่ยยึดอำนาจนะยึดอำนาจพเราใช้ไปเลยเนี่ยตูความล่มเหลวของสังขารความล่มเหลวของสังขารเหมือนเหมือนเราสั่นพุชชาพอเราอยากกินพุชชามันอยู่ด้ต้นเนาะ เขออย่าต้นนิดเดียวก็หล่นลงหมดเลยกับทุกข์กเทือนตัวสังขารทั้งหลายพนะอดีกับวิสังขารวิสังขารเป็นเป็นกำลังผลสังขารเป็นข้าศึกไม่มีทางชนะได้ทำย่อมชนะอารรมอยู่เสมอ วิสังขารเป็นกําลังผลสังขารเป็นข้าศึกกําลังผลเลื่อนน้อยปราบข้าศึกตะจุนน์เมากเพียงแต่ว่าสเพธธรรมานตตาสเพธธ ร, รมาสเพธธ ร, รมานาลังอภิเนเวายะสเพธธรรมานาลังอภิเนเวายะ สังขารทั้งหลายทำทั้งหลายไม่ยึดไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเป็นหัวใจกำหัวใจของของศาสนาได้คำสอนทั้งหมดสังขารวิสังขารมีอยู่ในความหลงมันไม่หลงในความทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กรณลีปฏิบัติธรรมเนมันเหมือนกับพ่วงแพร่ที่มันพาวิ่งต่มันนีอัตโลมัติ ถ้าทำถูกไม่ยากเอยความหลุดพ้นไม่ยากความหลุดพ้นไม่ยากแต่ความยึดที่มันติดยากกว่าสะดวกคือความหลุดพ้นความหลงไม่ไม่สะดวกความรู้สึกตัวสะดวกความทุกข์ไม่สะดวกความรู้สึกตัวสะดวกความโกรธไม่สะดวกกิเลสตัณหาไม่สะดวกขวางขั้นเลย สิ่งที่ขวงกันคือสังขารเนี่ยจะเป็นการมราคะปฏิฆะมานาทิติวิจิชฌาทีพตราประมาตเป็นเป็นเป็นขวงกันท้งนั้นอันเป็นดีสังขารนะมันก็ง่ายอันเป็นคู่ปรับกัน โดยเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยจเจริญสติเนี่ยพอตัวที่สุดเลยในการที่จะเข้าถึงหน้าถึงผลช่างรักสร้างผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันทำได้ปฏิบัติได้จริงจริงอย่าเอาอะไรมาอ้างมาต่อรองมันจะทำให้จัดเจนบ้างจัดเจนแม่นยำเด็ดขาดบ้างให้ชัดเจน ชัดเจนและจัดเจนด้วยแงบคลายด้วยเห็นความหลงเห็นความไม่หลงแงบคลายได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงหลงจากกายจากใจหลงจากตาจากจหจากาจากูจากจมูกลิ้นกายใจลูกลถ เ, กเสียงหลงอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจนี่แงบคลายละเอียดประนีตที่สุดเลย เพมหลงมันก็ปลาหนี้นะมันหลอกได้ดีนะเพิ่มโกรธก็ปลานี้นะอะไรที่มันเข้าข้างตัวเลยมันปลานี้ถ้าไม่มีสติมองเห็นนั่นสติมันปลานี่มันแย้มคลายเหมือนกับก้องจนกระทั่อะไรก็ไปลูกกับเขาหลกที่เขาฉายเชื่อลูกออกมาขยายออกมาวรวมลูกจึกตัวมันขยอย มองอะไรมันชัดเกนเดิดถานี่ทุกขย่อยหรอกที่เหตุจะเกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่วิธวีวิธีดับทุกข์ดับทุกข์ได้ต้องทำอย่างนี้นี่มันขย่อยไม่เหมือนวัตถุอันอื่นเกิดจากเมื่อมันในมัน ในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเจ็บมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายไม่ต้องหาที่อื่น <c oughs> ตอนนั้นเรานี้ย่องต้อจะพูดแล้วนะ <c oughs> ยิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งแยบคลายยิ่งชำนี่ชำนานยิ่งมันเจ็บ <c oughs> ก็ยิ่งแยบคลายชำนานเพื่อการนี่โดยตรงเหมือนนักกีฬา เหมือนคนมีความรู้เขาสนามสศกออนข้อขสอบข้อไหนก็ยิ้มยิ้มนะยิ้มนะนันไปสอบอุปชาเดี๋ยวเมื่อใดเขาจะเรียกนเราเขาจะเรียกเข้าไปสอบเขาใช่ว่าอะไรเราว่าได้หมดจะถามอะไรเราได้หมด เมื่อเราจะเรียกเร า, าจะอยากจะไปยืนรลเข้าคิวอยู่แถ่นั่นด้วยซ้ําไปแต่ไม่มีระเบียบเอาให้นั่งอยู่ที่เก้าอี้เรียกไปทีละรูก ล, ละรูปเมื่ อ, อไหรจะเรียกน้อเมื่ อ, อไหรจะเรียกน้องถ้าถามตามตามที่ข้อสอบเราก็เรียนมาจบอยากให้ถามอยากให้ความหลงหาโจฉดหนอหอบมาจยากให้ความทุกข์หา โจดหน่อยะให้ความกิเลสสนามหาเรื่องมามันเลยไม่ไม่กลัวเลยมันเก่งข้าทลาได้ชีวิตที่มันมีความเพียรมีพลังมีสติมันเก่งก้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับการกับใจเรานีไม่โ้ยไม่ไม่โวยไ ม, ไ ม, อยไม่อ่อนข้อกับมันเข้มแข็ง จึงฝึกตนสอนตนบ้ามันมีหลงกว่านั้นแต่ฟิตมันลงไปได้รู้ลงไปต้องกันข้ามถ้าไม่มีทุกข์นั้นแหะจะได้มีโอกาสประสบการณ์กับตัวเองประสบการณ์ที่เกิดกับกากับใจนี้มันเป็นของมีค่าได้บทเรียนดีที่สุดเลยเมื่อมันในมันเลยน้ำย่หนอมบุ๋ง สติปฏิบัติธรรมเน่ยไม่ต้องมีวัตถุจริงของอะไรบาช่วยหามังกรประกอบไม่มีเลยยิ่งเรามีวิชากรรมฐานเนี่ยมีสติเป็นในกายเป็นประจําคู่แขนเข้าเหยียดแขนดอกมีวิธีปล่อยวิธีวางวิธีประนมมือแล้วก็ยิ่งวนัน้ายิ่งบางมือลงอย่างนี้ นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้แม่แบบพุทธรูปก็มีภาพแบบนี้นั่งแบบนี้ก็ยังมีเราจึงมีแต่ภาพกำนามออกมาจากสตนะิแล้วสติก็เหมือนกับมิตร์ชีวิตของเราเหมือนมิตร์เชิญมิตอร์ เขมิเตอร์มันจะได้ศูนย์อยู่ตัวนี้ถ้าถ้าเราใช้มันมันจะเด็ดไ ป, ม, าา ม, ดไปมันคืนมายมันด็ดไปมันมาคืนมาเ่ยู้จากมิเตอร์เข็มมิเตอร์ไหมเวลาเช่นเวลามิเตอร์ ม, มันอยู่เนี่ยถ้ามันใช่ถ้ามันสาแท่เรามันไปอย่างนี้มันคืนมานี่ใช้ได้สากลถ้าไปนี่ึ้นมานลยถ้าไปอย่างนี้เลยไม่ได้ซุกไปเลยนี่มันมันผิดแล้วนะ ถ้าเป็นเครื่องมิตเตอร์แบบนั้นน่ะจะต้องอันตรายเสียเราถ้าเราสุกเป็นสุกเนี่เสียเราทุกเป็นทุกเสียเราว่าต้องทุกกลับกันมาสุกกลับกันมาเนี่นนใช่ไหมนี่เครื่องคีวิตอย่างนี้ใช้ได้เชื่อถ้ามันสุกมันถ้าเป็นไฟก็ช็อตแล้วเ่าเป็นเครื่องขยายมันอู๊รีบปิดสวิตช์ทันทีเนะย อันนั้นมันมีเครื่องมือนะถ้าวัมนมันเชน็ดช้อนอะไรยงไฟอ้ยปิดเซเวคไปปรับมวลลูมปรับมิเตอร์ไว้อันนั้นมีเครื่องมือปรับมิเตอร์วัตถุจริงของเขาทำให้ใช่แม้แต่รถตลาดก็งีสมองของรถมันดีกว่าสมองของคนเขาทำมาอยาควคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ็บข้อมูลได้เยอะ เราจับของเราเครื่องนน้อยเก็บข้อมูลเก็บชื่อได้ตังห้าพันลายชื่อเครื่องนน้อยเท่านี้อันนี้เรามันเจ๋งกว่านั้นเนี่ยอันสตินรืว่ากายใจเราเนี่ยที่มันเราฝึกดีๆเนี่ยมันเจ๋งกว่าคอมพิวเตอร์เจ๋งกว่าเครื่องใช้อื่นต่างๆนั่นสติเนี่ยมันมันหลงมาเคยมานี่ มันฉุกมันเกิดมานี่มันทุกข์มันเกิดมานี่มันโก้มันโลภมันหลงเกิดมาหนี้มันมานี่มานี้นี่อยู่ตรงนี้นี่อ๋อมันเกิดใช้ได้นยจะให้ใช่อย่างไงก็ได้เนี่ยมันจะเนี่ยเจ็บก็อยู่นี่แจกก็อยู่นี่ตายก็อยู่นี่อคือชีวิตอย่งนี้ชีวิตแบบนี้ชีวิตไม่เป็นอะไรอันก็มีร้อนก็แสงแดดถกก็ร้อน หนาวก็มีแล้วองค์นถูกกนหนาวหิววกนี้เนียอันเป็นอั น, เ ป, นเป็นมิตตื้อที่มันเมื่อ จ, จะถานชีวิตของเราที่มันเกิดที่มันได้จริงๆนะ่มันโศนได้ว่าใช่สัตว์ในรางฐานนะน่ากลัวนะความหลงเนี่ยไปประมาทกับมันนะเราจะบอกให้ทความสุขความทุกข์ โตเจ้าความหลงเกิดเกิดสุกเป็นทุกข์เกิดเจ้าควงโกดโตเจ้าควงหลงไปหาควงโกดโอ้ยมันเป็นภูมิไปไกลแล้วเอายากเบิดเตื่อนมนากต้องเนี่ยสติกรรมฐานพอดีพอดีพอดีเ พ, พียงพอแล้วเราศึกษาเนี่ยทุกคนมีมือมีกายพลิกมือขึ้นรู้สึ ก, กมันชีดไปกลับมานี่ยงพอแล้ว มันเพียงพอแล้วมันชิดเปรตนั่นดีแล้วจะได้บรรลุธรรมมันทุกข์เป็นจะได้บรรลุธรรมมันโกรธเป็นจะได้บรรลุธรรมถ้าไม่โกรธไม่ทุกข์มันไม่ใช่คนคนมันปนเปเมื่อไรคนจะตายหมดในโลกเนี่ยแหงไหมเมื่อไรคนจะตายหมดในโลกเนี่ยให้เหลือแต่มนุษย์คนมันปนกันไป โอนเปตั้งไปตังลิกตั้งชังั้งสูงตังทุกอพอใจไม่พอใจจะเป็นคนพมันตายห่ดใช่ไหอันนี้เลยเขาหลวพ่อว่าตัวเองนะไอ้คนเนี่ยโง้โถไอ้คนเลยเอาละกูจะเป็นมนุษย์สูงขึ้นมาเมื่อคนตายไปแล้วเกิดมนุษย์ขึ้นมาใจสูงเถินมันมนุษย์เทนั้นที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานจึงเป็นพระได้มนุษย์โซซ เป็นมนุษย์หรือยังเวลาคนมาบวชเนี่ยกรรมวจาจารสมาธิมนุษย์โซชิเป็นมนุษย์หรืออย่างมาปัณเตเป็นมนุษย์แล้วนี่เป็นรูปแบบมันหมายถึงความลึกซึ้งตัวนี้นะอันนี้เป็นสมมุติปัญญาตก็ยังเป็นสมมุติอยู่ไม่เอาเป็นปรมาจิัจักจินโมชีเธอเชื่อหรือ โกน้เตยประชารโยเปิดมนุมนุษย์โซ่ชื่อเลยเปิดมนุษย์รับราไม่เปิดเพื่อนไม่ไม่ไ ม, มอแมนเปลี่ยนร้ายเป็นดีเลยเป็นมรุษไม่มีวันที่จะโกรธเพื่อนกันได้มาความเมตตากรุณามาใจไม่ลอยแทนที่ความโกรธความโลภ ค, ความหลงจะให้มาอยู่ได้กับเราได้ไงาน ในความโกรธความโลภควมลงมันมันมันต่อเถื่อนแับ น, นี้เมตตาคนเรามาอยู่ในมาอยู่ในชีวิตมนุษย์พูดเฉียงใดก็ประกอบพื่อเมตตาคิดเฉียงใดประกอบด้วยเมตตาทำเฉียงใดประกอบด้วยเมตตาคิดเฉียงใดประกอบด้วยเมตตานี่คือมนุษย์สูงอย่างซึ่งบ้าเฉยได้ใหญ่ในชัน้นนี้ไม่ใช่ใหญ่เพราะเกิดตันานใหญ่ด้วยคนธรรม ไม่ตอก็ไม่วันที่จะโทุกข์ ก, กันไม่วันที่จะเบียเดเบียกันได้เป็นกาาันอยู่ิดพาไปถึงมากถึงขุนจับมือจับแขนกันก็หลงเชื่อมาๆนี่พระเจ้าเรียกพิจู ต, ต้องร้อยพิจู ต, ต้องร้อยใส่จริงไหมอยากได้ประมาทถ้าเราไปมากก็เลยพระเจ้าบอกว่าทหลายย้าอยาได้ประมาทเถิดอยู่เฉพาะหน้าเรา อุ่นใจ อ, นอุ่นใจไปพรรษาธรรมดามีธรรมะยังก้องอยู่ในหัวใจเราอยู่มันอ่อยมันคิดไมได้มันมันหลงไม่ได้มันทุกข์ไม่ได้ตานอก้ก็ทงสารพ่อแม่สงสารเพื่อนสงสารญาติโยมเขากราบเขาไหวเราคอยเอาเข้าวเอาน้ําให้เรากินเราจะมาบอกผมในอารมอย่างนี้มันไม่คุ้มค่ามันสลัดออกทันทีเลย หลายส่วนประกอบกันชีวิตของนักบวชเนี่ยื่อพวกเรามาอยู่วัดเนี่ยชีวิตของรอมหลายส่วนที่จะอ้างมาสูงขึ้นได้เนย่องเราเป็นนักบวชเนี่ยชั่วไม่ได้เด็ดขาดจะเพียรชนินกิจกรรมได้อย่างไรถ้าแต่ น, นักบวชจริงๆนี่ยเว้นจากความชั่วไปสู่ความดีความชั่วมีเท่าไรเว้นในหมดไม่เกิดจากความคิดจเกสร้ากการกระทําเกิดจากกาิเลสมยิด ยามสอนตัวเองความดีไม่เฉยพยายามทําความหมายของการบวชไปะตะเพือ่อตะปือหันหลังให้ทุกอย่างเติดขาดทุกอย่างไม่อะไรกับมันไม่มีอะไรทีร่ว่าพระมาอะไรทัวสวรรค์ด้ทวนรกได้น้ํำข่าวจากนรกไปบอกข่าวให้คนสวรรค์ได้ทราบน้ํำข่าวจากสวรรค์มาบอกสันนรกให้ทราบเขาทํำยังไง ในโลกนี่มีคนที่ไม่ทุกข์เหมือนเราก็มีสิ่งที่เราทุกข์คนหนึ่งก็ไปทุกข์สิ่งที่เราหลงคนหนึ่งก็ไม่หลงสิ่งที่เราโกรธคนหนึ่งก็ไม่โกรธมอกข่าวมาไหลพระมาไหลในขนนธรรมของเราเนี่ยมันไม่คับแคบจะทัวลองดูก็ได้เนาะจะทัวดูก็ได้ไม่ต้องโชว์ให้ใครโชว์ในหัว ใ, ใจเรา ใครก็เคยหลงเคยคเคยโกรธเคยเคยทุกข์เปิเพื่อนมามากอ่ะทําไมเราจะไปรู้ใครก็เคยผ่านทั้งนันทั้งนั้นไม่ใครไม่ไม่ไม่ไม่มีใครที่ไม่ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้ก็หลงเป็นยังไงรู้เป็นยังไงโกรธเป็นไงไม่โกรธเป็นงไงทันทีไม่ค่อยมีบางทีอิ่มไปแล้วเอาคืนตามันก็ไม่ได้ เราจะในพรรษานี่ให้พยายามจัดเก็นกับตัวเองบ้างดำดับํำนำการใช้ชีวิตจะประมาทแต่ความหลงหลวงพ่อให้ชื่อว่าความหลงนี่เป็นภุม่มไดรัฐชฐานนะขวงไว้จะจะเรื่งบ้านของเล็กเล็กน้อยน้อยนอยนะภุม่มดดรัฐชฐานเกิดจากภาวะที่หลง หลงอะไรก็ได้มันจะไปหมดแหละคำว่าหลงนี่นี่วนแล้วทก็หลงออมาฉันเ ไ, นะไปวนทีนไปเถอะอุติจักกุจจกชิิชารล้นก่ไม่ควบหลงเท่นนะานั้นหวังไว้ว่าให้ใหบรรลุความามความดีจเจอนญเงาอรอยป้องกันไ้พร้อมแนะนะล้วพร้อมแล้วรู้สิตสตัวรู้สึกตัววันไม่ออก 哦，城管这个啦